กุญแจสู่ความฉลาดขั้นสูงสุดคือการจำแนกถูกว่าความคิดแบบไหนเป็นเพชรความคิดแบบไหนเป็นพลอยความคิดแบบไหนเป็นกรวดความคิดแบบไหนเป็นทรายการหยุดคิดยุ่มหยิมในเรื่องเล็กน้อยไม่ได้จะทำให้คุณแยกไม่ออกว่าสิ่งใดมีค่าหรือไร้ค่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังและกระทั่งใครคนหนึ่งที่ใช่หรือไม่ใช่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 รอบงามวจีกรรมและกายกรรมไว้ในตัวเมื่อสามารถฝึกความคิดให้เป็นไปในปทิศทางที่ดีที่ควรที่เป็นระเบียบจำแนกถูกว่าความคิดไหนเป็นเพชรความคิดไหนเป็นพลอยความคิดไหนเป็นกรวดความคิดไหนเป็นทรายคุณจะเริ่มมีกุญแจสู่ความฉลาดขั้นสูงสุดสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญามากเกิดจากกรรมที่เคยเข้าหาสมณะ และไถ่าถามว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุให้ดับทุกข์ดับโศกเสียได้เมื่อตั้งความคิดไว้ในทิศทานที่เป็นประโยชน์สูงสุดได้ถูกมีเป้าหมายอยู่ในทุกอิริยาบถ ท, ที่จะละบาปเสริมบุญและพ้นทุกข์ในที่สุดคุณจะได้ชื่อว่าอยู่บนทางของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นพุทธแท้ด้วยชีวิตครับ